เครับเราจะมากันที่สายต่อไปจากสายของคุณคิงคิงออฟโกด์ของเราครับมาพร้อมกับประสบการณ์เรื่องเล่าของพี่ชายที่อยู่แถวบ้านเป็นเรื่องเล่าน่ากลัวกึ่งเป็นอุทาหรณ์สอนใจครับใช้ชื่อเรื่องนี้ว่าเคยชินวิญญาณพลังงานทันทีครับและตอนนี้อยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณคิง โอ้คิดถึงจังเลยคุณคิงก่อนหน้านี้เราพลาดกันมาสองสัปดาห์หรือปะสองสัปดาห์ขออภัยด้วยบางทีตอนนั้นมันก็ดึกสัญญาณมันจะตัดแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วดูเหมือนว่าคุณคิงหลับก่อนเราก็เลยพยม่จะหลับที่ไอ้สัปดาห์สัปดาห์แรกอ่ะผมหลับผมยอมหลับเพราะว่าเพราะว่าผมจะตั้งรายการปกไว้ผมผมจะประมาณเกือบเกือบีหนึ่งเนาะทุกครั้งเลยอันนี้ อาทิตย์นั้นเป็นเที่ยงคืนผมก็เลยว่าเอาเราเราตั้งเวลาแล้วโทรมาก่อนก็เลย<อ>ขาดกันแต่พอมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับก็รออยู่แหละพี่จะเห็นดึกแล้วละ่ะ<อ>พอพอเห็นว่าดึกแล้วผมก็เลยพอบอกว่าไว้ะสัปดาห์หน้าผมว่าสัปดาห์หน้าก็ได้เออสัปดาห์หน้าดีกว่าไว้มาฟังกันแบบเต็เตมๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมจําได้ว่ามันใกล้จะตีสองไงเฮ้ยเดี๋ยวสัญญามันจะตัดก็เลยเดี๋ยวจะฟังไม่สนุก อ๋อนะครับ<ช>แต่วันนี้<ช>ไม่พลาดอย่างแน่นอนคุณคิงเป็นไงบ้างสบายดีนะก็เรื่อยๆครับพี่เพราะว่าก็ทํา ง, งานทั้งวันเหมือนปกติทาหัวปั่นเหมือนเดิมโ อ, โ อ, โอนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยเหมือนเดิมนะครับนะครับมาว่ากถึงเรื่องนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่คุณคิงตั้งชื่อเรื่องมาเองเลยนะครับใช้ชื่อเรื่องว่าเคยชินวิญญาณพลังงานทันทีครับนะฮะเรื่องราวของคุณพี่ ที่อยู่แถวบ้านเขาเล่าลให้ฟังว่ายังไงคุณคิงเชิญครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาเล่านะพี่แจ๊มันเป็นเรื่องที่ว่ามันเกิดขึ้นออืโดยที่ไม่จําเป็นต้องต้องแบบจะดแตผมรู้สึกว่ามันน่าขนลุกถ้าเกิดว่าพี่แก๊คหรือว่าใครใครเคยดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งคือพอดีผมไปดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วผมไมึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของเรื่องอะไรไม่รู้ว่าผมไม่รู้ชื่อเรื่องแต่เข้ามาตอนแรกนะพี่ออื คนเป็นแม่เนี่ยเขาเปิดรังไขายของก็มีคนมาซื้อของปกติแล้วเขาก็เล่นเงินลูกสาวเขาเนี่ยออืต่อมาไม่นานมีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาแล้วมายืนมองร้านย่างเงียบๆแล้วแม่เขาก็มีความรู้สึกว่ามันมีหลังสีเอามาหินเนี่ยเขาก็ทําท่าจากควา ม, มีดที่ใ ต, ต้โต๊ะไอ้คนเป็นโจรเนี่ยมันก็เขายึดยุดก่อนแต่สู้กันไปสู้กันคมาคมาถึงฉากที่ว่าเขากดหน้าผู้หญิงลงไปอ่ะออ จกแล้วมันแทงเข้าไปที่ลูกตา<ถ>ตายตาทีหนึ่งแล้วเขาก็นิ่งไปเลยคือฉากมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหอแล้วคนร้ายก็จะเดินไปหาลูกสาวเขาคร<ถ>ับแล้วอยู่ดีคนเป็นแม่เากากระโดดขึ้นเกาะคอยทีหนึง่งแล้วก็กีดแล้วก็ดึงหัวถึงนจุดชีวิตผมก็คิดว่าโอ้โหยังไม่ตายเลยเจไดอึดมากแต่พอฉากเขาตัดมาทีหนึ่งเป็นว่าแม่เขาตายแล้วออ ในทันทีก็ทํางานเหมือนกันคือไปช่วยลูกสาวเขาอเหมือนว่ายังมีพลังเฮือกสุดท้ายในการไปช่วยเรื่องอะไรไม่รู้ผมผมไม่คุ้นนะเรื่องนี้ครับอ่ า, อาทันทีว่าพอผมมามาดูเรื่องนี้แล้วผมก็เลยมาคิดถึงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในสมัยที่ผมยังเป็นต้องใช้คาว่าเป็นเด็กวัยรุ่นอืมเริ่มต้นเขาเป็นวัยรุ่นเลยพี่แกครับสมัยนั้นก็จะมีพี่คนหนึ่งแกจะมาจากทางจังหวัดปักกิ่มผมเริ่มเลยเนาะได้เลยครับ มันเป็นกึ่งชางหอนด้วยนะฮะอาจจะมีการเอาตรงอื่นเข้ามาผสมแลคือที่คนเนี้ยเขาจะมาจากประกินประจําเขาสนิทกับพี่พี่ชายของคนเนี้ยครับเป็นพี่ข้างบ้านเขาสนิทกันแล้วเขาก็จะมาทุทกๆวันศุกร์พอจะมาทุทกๆวันศุกร์เสร็จแล้วเ้าก็จะมีการดื่มเหล้ากันทุกๆวันศุกร์มาแกก็จะแบบตะโกนเรียกผมอ่ะเฮ้ยไปซื้อเหล้ามาผมก็จะเป็นผู้เสือกินกับไปนั่งกินกับเขากิน วิ่งซื้อของเขาอย่างเงี้ยเราไมนเด็กวยรุ่นแถวแถวนั้นครับอยู่เขาทุกๆอาทิตย์ทุกๆวันศุกร์เสาร์แล้ววันอาทิตย์พี่คนเนี้ยเขาก็จะเดินทางกลับอืโดยการที่เพื่อนเขาคือคนที่อยู่ข้างบ้านผมเนี้ยจะเป็นคนไปส่งครับอาจจะไปขึ้นรตรงไหนเนี้ยผมก็ไม่รู้หรอกอืวันนี้วันที่เขามาก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยในวันในวันนั้นแ่ะวันที่จะเกิดเรื่องเนะี่ยคือเขาเขามาวันศุกร์เหมือนเดิมแล้วเขามาแบเงียบๆปกติแกเป็นคนตลกนะเป็นคนตลกมากเลย อี่แกก็พูดขึ้นมาว่าเจาน้าผมนะปกติเออไปซื้อเหล้ามากินนะผมก็กำลังจะไปซื้อแกแกก็พูดว่าต่อไปพี่คงไม่มาที่นี่แล้วนะผมเฮ้ยที่เมไพูดอย่างนั้นนะมัยนั้นผมยังไม่รู้จักหรอกคำว่าลังสังหรณ์ น, นะแต่รู้ว่าคำพูดแกนนะ่ะมันแปลกแล้วมันก็เสียดเข้าไปในหัวใจเรายังไงบอกไม่ถูกคนฟังดูหัดหู พี่พูดอะไรบ้าๆพี่จะมาดูครั้งไหมอะหรือว่าพี่ผิดใจกันกันกบแม่เขาเขบอกไอ้นี่มันแม่เพื่อนจะไปผิดใจอะไรกับเขาหรออืเอาไปซื้อมาเออเอาเป็นว่าพี่บอกแค่ว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะครับ<ะ>ต่อไปที่ไม่มาแนละ้วออืผมก็มเก็บเอาไว้ในใจก็ไปซื้อมาให้แกกินมันเป็นปกติเนี่ยก็จะมีแค่พี่คนเนี้ยแล้วก็พี่ข้างบ้านผมน่ะกินอยู่ด้วยกัน เราค่อยๆเจรจากันผมเป็นเด็กที่ครบจากคนโตไงคนเด็กรุ่นเดยวกันมัค่อยจะคบเท่าไหร่จะนั่งอยู่เขาทุกวันนานๆจะมีเพื่อนๆมารวมกันทีคือถ้ามันเป็นวันเกิดของใครสักคนหนึ่งในกลุ่มนั้นครับหรือว่าจะเป็นวันสําคัญอะไรก็แต่เขาก็จะมารวมกันในสมัยนั้นมันไม่มีมมันไม่มีมือถือพีแจ็มันมีอย่างมากสุดก็คือพวกแท่งลิงที่จะมีการส่งข้อความบอกกันหรือว่าโทรศัพท์บ้านเอ วันนั้นไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นไม่มีใครส่งข้อความอะไรบอกใครเลยแต่ทุกคนมารวมตัวกันที่นั่นเป็นพิเศษเหมือนนัดนัด ก, กันมาหมดเลยพนนีกก่คนนู้นก็มาพี่คนนี้ก็มาค่อยๆท ย, ยอยมาเขาก็บอกเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยไฮ้รู้รังไงว่ากูจะไม่มาแล้ววะ <c oughs> คือทุกคนก็ฟังแล้วก็ผ่านๆตอนแรกนะ <c oughs> ไม่ได้ใส่ใจอะไรนั่งกินบากินมาแกก็ชอบพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็พูดเล่นเดี๋ยวเดก็พูดเล่นแต่แต่พูดหพูดไปหัวเลาะไปแบบรูปประโยคเดิมต่อไปกูไม่มาแล้วเว้ย เฮ้ยต่อไปคุณ ม, มาทุกคนเขาก็เริ่มมองหน้ากันแบบทำไม่พูดจาอะไรยอย่างนี้วะเฮ้ยกูแค่อกวไม่มาซีเรียสอะไรกันนะออืเขาก็จริงไปจริงไปพอถึงเวลาประมาณช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งอะผมผ ม, ผมจําไม่ได้มันนานมากแล้วพี่ว่าเขาจะกลับประมาณตอนไหนแต่ว่าเขากลับดึกมากมดึกมากเลยแหละเขาก็จะให้พี่คนเนี้ยที่อยู่ข้างใต้ผมเนี้ยเป็นคนไปส่งออืเป็นคนไปส่ง ขึ้นรถผมไม่รู้หรอกว่าจะไปขึ้นที่ไหนอะ่ะจะเป็นขนส่งหรือจะไปขึ้นหน้าแถวแถวถนนงามวานอะไรนี่ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาจะออาไปส่งกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าทุกครั้งแล้วพี่คนนี้ก็จะกลับมากินต่ อ, อแต่ในวันนั้นอะ่ะตอนที่เขาจะไปส่งอยากกังวลขึ้นมาคำนึงบอกอูมไม่มาแล้วนะโอ้ยทาเสียงยางไงทุกคนเ็เฮ้ย คุณจะอะไรพูดดีหน่อยเขาก็บอกจะซีเรียสทำไมกูแค่บอกกูไม่มามีธุ ร, ระป่ะฟัง ท, ทําไมต้องซีเรียสกันเขาก็พร้อมใจกันว่าว่าคําคพูดมึงเนี่ยมันดูเหมือนมันเป็นลางเข้าใจไหมต้องจะพูดพูดให้หมดอย่าไปกักไว้เขาก็หัวเราะทำมาส่าเขาบางคนตลกส่วนที่คนที่อยู่ข้างบ้านผมนะแกจะเป็นคนค น, คนอ่าคนเงียบเงียบคนดีแต่ว่าดีเลยแหละเพราะว่าแกดูแลแม่แก แกจะมีการดื่มสังสรรค์แค่สุดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นแล้วในวันนั้นมันมีรางอีกอย่างหนึ่งพี่แจ็คสาหรับพี่คนนี้ที่อยู่ข้างบ้านผมเนี่ยซึ่งความเป็นจริงแล้วแกเป็นคนเงียบเงียบแกไม่เคยไปหยอกเล่นอะไรกับแม่แกเลยแต่วันนั้นนะนะช่วงตลางวันเนี่ยแกไม่ไปทํางานแล้วแกก็นอนคองเคียร์อยู่กับแม่แกแล้ว แ, แกก็ร้องเพลงเพลงแม่ของคุณเสโโรโตอร้ อ, อ, องรองร้องแล้วก็ไปนอนตักเขาแล้วก็แม่ขอตังค์หน่อยทาเหมือนเด็กอยนะ่างเงี้ย ที่เขาบอกว่ามันจิตไมใสมากเลยนะคนคนนี้ไม่เคยทาเป็นคนที่นิ่งและเงียบเงียบจริงจริงเงียบชนิดที่ว่าวันๆไม่ค่อยคุยกับใครเลยพอถึงเวลาตอนจะ ก, กลับแต่ก็พูดจาเหมือนเดิมทุกคนเพิ่มแบบที่จะใส่ใจแล้วแล้วก็ขีม่มอเตอร์ไซค์ออกไปกันทางปักสอยออื <c oughs> ผมในวันนั้นรู้สึกอย่างไงไม่รู้มันยังไม่รู้จักคําว่าลางสังหรณนะ์เลยที่ <c oughs> แต่ว่าผกันไปมองนะหันไปมองตลอดเลยว่าเขาไปกันยังไง ทำไมเราต้องรู้สึเป็นห่วงจังเลยวะแล้วทำไมพี่คนนี้จะต้องพูดอย่างนี้ตลอดเลยหายไปอยู่ประมาณพักหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์กลับมากันแรงเลยนะอปรากฏว่าพี่คนที่ที่จะต้องกลับจีนเนีแยโดนต่อยมาแล้วกับเาล่แตกไปหมดเลยผมก็เลยบอกว่าพี่คือเรากะเวลาแล้วว่าน่าจะไปได้ประมาณไม่พ้นตรงนี้ยเพราะว่าตรงนั้นเป็บริเวณที่ที่บ้านเก่าดี่ผม มันจะมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงที่เขาค่อนข้างจะเป็นเป็นกลุ่มของลูกคนมีทางเนี่ยนะอืมอืมฮะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเกเรกันครับเขาจะตั้งแกล้งมันอยู่ประมาณตรงเนี้ยหน้าร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งเนะี่ยอืมทั้งคืนทั้งวันจะอยู่ประมาณตรงนั้นครับจะเลยว่าไปตรงนั้นมาแน่นอนผมโดดลงมาถามแกเลยว่าพี่พี่ไปโดนต่อยตรงนี้มาใช่ไห ม, มไถามมึงรู้ได้ไงวะ ผมบอกพี่ไปประมาณเนี้ยพี่ไปได้เป็นคนแค่นี้หรอกที่อย่าไปยุ่งเขาเลยเขาคนมีตังนะ์นะเขาเป็นลูกคนนั้นคนนี้นะอะไรเงี้ยแล้ก็ บ, าาบอกคและอย่างผู้พี่ก็สอนผมตลอดไม่ใช่เหรอว่าให้ใจ เ, เยน็นแล้วพี่ก็จะมาแกบยกมือบอกจะบอมึงไม่ต้องมาสอนมึงไอ้พวกเนี้ยมันเด็กรุ่นมึงเองคือแกชี้หน้าผมมา น, นะมันเด็กรุ่นมึงเองแต่มานล่อยอยู่เนี้ยมึงจะสามสิบอยู่แล้วนะตอนนั้นนะมึงจะถามสิบอยู่แล้ว ไม่ชังสอนมันซะหน่อยแล้วคือคนแอลกอฮอล์มันเข้าไปอันนี้คือเรื่องแอลกอฮอล์นะแต่คนมีสตินะที่คนข้างหน้าเนี่ยที่เงียบๆแกก็เดินเข้าไปในบ้านเอามีดมันสองอันส่งให้ที่คนนี้ยอันหนึ่งแล้วแกกันเด็บตัวเองอันหนึ่งเป็นแค่มีดปอกผลไม้อะไรแจกซึ่งจะไปไปสู้กับกลุ่มนั้นซึ่งเขารู้ว่าเขาิผมมารู้เพราะกฤษสัขาแถั้นระดังเขาเป็นคนที่เล่นพื้นกันอบอกเลยบอกให้พี่อยากไปเสี่ยงเลยคเชื่อที่เมาแล้วพี่ เลยไปแล้วขึ้นรถกลับบ้านแล้วก็จบละแกบอกไม่ได้ไม่ได้นี่คือเรื่องของเท่าเลยและขาสติอแต่ก็ออกไปกันผมก็นั่งมองทีแรกก็จะขอไปด้วยไปดูว่ามันใช่ไหมเผื่อเราจงแกบอกไม่ต้องไปเด็กอยู่นี่แหละจะมีปัญหา <c oughs> กลุงคนหนึ่งที่แกจะเป็นขาเล่าอ่ะแกจะออกมาขอกึ๊บสองกึ๊บประจำแกก็เดินออกมาตรงนั้นพอดีแกก็บอกว่ามันเป็นไหนกันวะ ผมก็ไล่ฟังว่าพี่คนนี้โดนต่อยแล้วก็เป็นผู้พวกเนี้ยแน่นอนอืมแต่ก็บอกไอ้แล้วได้บอกมันปะเนี่ยพราว่าผู้นี้ลูกใครอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ผมบอกเตือนแล้วเขาไม่ฟังเลยลุงเตือนแล้วความเมาเนี่ยทั้แรกก็สอนผมตอนที่เมาไม่ฟังผมเลยเนี่ยอืมก็เลยตัดสินใจเดินไปทางท้ายซอย <c oughs> เขาไปปักซอยกันแนละ้วผมเดอเหมนทางท้ายซอยกัน <c oughs> ว่าจะไปดูว่าเป็นยังไงลุงทอมเป็นห่วงอืมพี่แจ็คในชีวิต อายุ15 16 17ที่แจ็คเคยได้ยินเสียงปืนใกล้ที่สุดแค่ไหนอูไม่เคยเลยฮะผมยิง15 16 17ครั้งนั้นแนะ่ะประมาณนี้ช่วง16 17ประมาณนี้นะเป็นครั้งที่ผมได้รู้ว่าอนุภาพของปืนเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยมันทำให้ไฟสว่างไปทั้งถนนเลยนะไฟจากปลายปืนเวลาที่ยิงออกไปใช่ไหมฮะ ใช่พราะผมเดินไปจนท้ายซอยเนี่ยพอไปถึงท้ายซอยเสียงมันดังอยู่ปักซอยมันไปไม่ถึงไอ้ร้านสะดวกซื้อที่ผมกะเอาไว้อ่ะมันไปไม่ถึงแต่มันแค่ปักซอยซอยนั้นแ่ะซึ่งเราคิดผิดครับเสียงดังแบบสนั่นมากเลยอายุสิบเจ็ดอะพี่ปังปังปังปังซีทีติดอย่างเงี้ยคือห่างๆกันสองแล้วรวยอีกสองไฟสว่างถนนเลยผมก็ลุงนี้ยืนอึ้งเลย ตเตียนถ้าจะเดินไปดูแกก็บอกคงจะไปทําอะไรผมเป็นห่วงพี่แต่บอกว่าถ้าจะไปมึงต้องทำตามที่ลุงบอกนะคือเดินไปเฉยๆสมมุติว่าจะมีใครวิ่งหรือทาอะไรมาเนี่ยให้มึงสมมุติตัวเหมือนว่ามึงจะเดินกลับเข้าบ้านไม่รู้เรื่องอะไรเขาผมกค็ครับครับครับครับก็รีบเดินไป<ถ>มองเห็นผู้ชายไกลๆเนี่ยวิ่งมาคนหนึ่งวิ่งเสียงแบงนี้เลยนะคนนีตายนแล้ว วิ่งมาถึงเจเลยผมไปหน่อยหนึ่งผมจําได้ว่าเป็นพี่คนนั้นนหะพี่คนที่พูดเป็นหลังไม่ดีนั่นแหละผมก็ตะโกนเรียกชื่อแกแค่เฮ้ยใครวะคือคนตออกใจนะอ<ภ>ืแกหันมาเฮ้ยพี่ทุกยิงพี่ทุกริงพี่ทุกยิ ง, ยงสี่นัดเลยสี่นัดนะนะแกเมาคนเดียวเลย<ภ>แกโอ้โหสี่นัดนะแต่แกวิ่งได้ด้วยนะ<ภ>แล้วแกก็ลม้มลงเลยเพรเห็นว่าเป็นเรา<ภ>คนเราของคนหนีตายอ่ะเขาบอกไปไม้บ้านตุม่มหนังยกได้นี่วิ่งมาแบบ ผมไม่เห็นแกมีท่าป่วยเลยแต่พอเห็นว่าเป็นผมแกล้มเลยแกไปไหนต่อไม่ได้แล้วออืเราก็เลยต้องประคองแกลงแกลับพอประคองแกกลับเสร็จปุ๊บลุงนี่แกก็เดินไปอยู่อผมก็ประคองพี่คนนี้กลับต่อเลือเต็มตัวผมเลยอผมก็เลยถอดเสื้อทิ้งมันเยอะขนาดที่ว่ามันไม่สามารถจะซักได้พี่จ้ะทิ้งอะไรเป็นข้าวกลีไปเลยแล้วก็เอาพลาสต์ตัวมาห่อตัวไว้เพื่อตัวของใครก็ไม่รู้ที่บ้านพี่คนนี้เอามาห่อไว้แล้ว ผมก็เลยเดินไปดูทางปักซอยซึ่งนูน่นวันนี้กลับมาแล้วบอกอยู่เป็นเพื่อนพี่นี่มาเดินไปดูทางปักซอยต้องยอมรับว่าตรงนั้นเจ้าที่เขาค่อนข้า ง, ง, งจะไวไระยะเวลาแป๊บเดียวเองอ่ะผมออกไปปักซอยในสว่างไปหมดในรถเต็มเลยก่ อ, ยอนนั้นตอนที่ผมกลับมาผมได้ยินเสียงลั่นตามมาอีกสี่ัทนะแต่มันอยู่ห่างแล้วเดินไปดูทุกคนโดนยิงตุ๊กโมง แต่พี่คนที่อยู่ข้างบ้านผมที่เป็นคนที่เงียบที่สุดแล้วไม่ได้พูดอะไรเขาเลยเนะและเป็นคนดีด้วยเนี่ยแกกับตายตายเลยหรืแกโดนยิงเข้าที่เอวเม็ดหนึ่งอไอ้เม็ดหนึ่งเข้าตรงทางคือทะลุหมวกนันห็อกโอ้โหแล้วก็ไปตรงอยู่ที่ต้นอคอคเห็นเห็นเลยลูกกระสุนตรงอยู่คือมันไม่ทะลุครับแต่มันคงจะตัดหลอดลมเหนือสักอย่างเลย เป็นครั้งแรกๆที่เห็นเลือดเลยนะพี่แจ็คคือหน้าคนเนี่ยที่นอนลงไปกับถนนเนี่ยเลือดมันจมขึ้นมาครึ่งหนึ่งอ่ะคือไม่เห็นลูกตาครึ่งเลยอคครครัับบเยอะขนาดไหนเลือดคนะคผมก็ได้แต่มองแกกับพริบตาแกะจะไปอยู่แล้วแต่แกยังไม่ไปนะตอนนั้น嗯嗯ก็ร้องไห้เสียใจยกันตะโกนว่าทำไมต้องทำในสถานนี้ต่อยตีกันแล้วก็จบแล้วครับแล้วลุงคนเนี้ยแกก็ตามมาบอกผมว่า มึงไปบอกแม่มันสิว่ามันเป็นยังไงคือแจ๊คคนอายุสิบหกสิบเจ็ดต้องจำข้อความไปบอกคนเป็นแม่เขาว่าลูกเขาตายอ่ะอเขาเป็นภาระที่ใหญ่มากเลยสําหรับผมตอนนั้นนะผมว่าทำไมลุงไม่เคบอกอ่ะทำไมทุกคนไม่้บอกแกบอกมึงไปบอกก็ดีที่สุดอเป็นเด็กเขาจะไม่ถือสาคำพูดมึงหรอกแต่ใความคิดของผมมันไม่ใช่ผมคิดในใจว่าถ้าเราไปเนี่ยแล้วเราพูดเลยผิดแม่เขาเป็นลมเป็นแรงเอาไปทางไหนช็อกแน่นอนอืมอืม ผมก็เลยเดินในระหว่างนั้นนะมันเป็นปัญหาระดับชาติเลยสาหรับผ ม, <ช>ผมคือเดินคิดเลยว่าจะต้องใช้คําพูดยังไงจะต้องทอํายังไงมันก็เดินท่องเดินบ น, นปเป็นคนเดียวเนี่ยใหญ่คืออย่างนี้อย่างนี้คิดไปแต่พอไปถึงจริงๆแล้วมันมันอ๋อ ก, การโง่เลยมันพูไม่ถูกยิงล่าประตูแล้วมองว่าทําไงดีวะก็เลยเรียกชื่อของแม่ของอเขาเรียกเสร็จปุ๊บเขาตะโกน ล, ลงมาว่าตังวังอยู่ข้างล่างออเขายังไม่รู้นะว่าลูกเขาเป็นอะไรอะ่ะอ๋ออ๋อ พรปกติแล้วลูกเขาถ้าตังค์หมดเนี่ยเขาจะให้ผมเข้าไปขอแม่เขาครับครับไ อ, อ้เดื่อนเขาไปขอตังค์แม่ที่มาเพราะว่าเขาอะเงินเดือนออกทุกบาทเขาให้แม่เขาหมดออเขาอยากได้อะไรเขาถึงจะขอเอา ค, คนรีขนาดนั้นแหละพี่จ๊คิดดูอืตอนนี้ผมเดินเข้าไปพอเรียกชื่อเขาตะโกนบอกตังค์วางอยู่ข้างล่างผมเราจะไปยังไงต่อวันนี้ยังต่อย่างเงี้ยโดยตัดสินใจเรียกชื่อพี่สาวแกพี่เขาก็ชะงักหน้าลงมาหน่อยนะ มีอะไรเรื่องแม่แนะเรื่องพี่ทำไมพี่ลงมานี่ไหนดิผมก็กักมือนะแกถามมีอะไรแกก็พยายามมองสํารวจผมนะเพราะตามคอตามอะไรผมมันก็ยังมีมีไรของเลือดอยู่อะอืมีอะไรพี่ลงมาที่นี่หน่อยผมก็ปวักมือนะลงมาก่อนมันเสียงดังไม่ได้ครับ<ถ>แกก็มีเรื่องกันเลยสิเออพี่ลงมาก่อนเถอะแกก็เดินลงมา <laughs> มาหาผม พี่ฟังผมเลยดีแล้วพี่อย่าพิ่เสียงดังวุ่นวายนะแกก็ตบ อ, อกอะไรบกเร็วเร็วเเรอะไรอะไรใจไม่ดีทั่นเนี่ย ค, ความที่เขาเร่งเราพี่แทนผมเลยไปไม่เป็นแล้วจ ะ, จะยกแม่น้ำทั้งห้ายกไม่ได้ผมเลยพูดไปเลยว่าน้องพี่จะตายแล้วนะออืแต่ก็ยืนคืออึ้งอะช็อตนิ่งไปเลยแล้วแกก็วุ่นวายมันเงียบไม่ได้นะเรื่องเนี้ยแล้วแกก็เลี้ยงแม่แกเลยตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากแล้วเขาก็พากันออกไปแล้วบอกผมว่าเข้าบ้านให้พี่ก่อน อันนี้มันจะมาถึงเวลานี้แหละออืต่อนพุ่นตายตรงนู้นใช่ไหมพี่ครับผมนั่งเฝ้าบ้านคนเดียวนี่งๆพ่อเขาแม่เขาพี่สาวเขาลูกพี่สาวเขาทุกคนลงไปหมดครับลงจากบ้านแล้วก็ออกไปข้างนอกหมดผมนั่งเฝ้าบ้านเขาเงียบๆอยู่ในบ้านคนเดียวอนั่งแบบทั้งหอกว่านั่งไม่รู้จะทําอะไรทีวีก็ไม่เปิดสมัยก่อนไม่มีครับพอเที่ยงคืนห้าทุ่มไปแล้วมันจะเงียมเงียบอะไรเรามันปิดมันปิดสถานี ใช่คนระผมก็นั่งทำหน้าง่วงๆอยู่พักหนึงแล้วจะพักมันก็มีเสียงคนเดินเหมือนเดินแบบอางมณ์าเดินออกจากห้องน้าหลังบ้านมาะอผมก็ว่าเค้ยในบ้านเหลือคนหรือวะออจะตั้งตัวตรงเลยนะจากที่ตอนแรกยังเริ่มง่วงๆแล้วเริ่มคิดนู่นคิดนี้แล้วก็เริ่มง่วงมีเสียงคนเดินจากหลังบ้านแล้วก็ประตูหลังบ้านเปิด<อ>แต่มันไม่เปิด ม, มันมีแค่เสียงออืแล้วก็เป็นเสียงย่าบันไดขึ้นไปอะ่ะ เหมือนเรามองตามบันไดเหมือนมองตามคนเดินขึ้นไปแต่มันไม่มีคนนะพี่แจ๊ครับครัเดี๋ยวผมเล่าตอนนี้คนอย่างลุงเจ้าบรรยากาศตอนนั้นนะแอแอดแอ ด, แอ ด, แอดในความมืดคือเราเปิดไฟข้างล่างบ้านอหะกลางบ้านไว้ดวงเดียว อ, ะอ่ะแล้แต่ตรงบันไดมันก็จะมืดๆแต่สลัวๆแอดแอดแอ ด, แอ ด, แอดผมนับขั้นขึ้นไปเลยคิดในใจว่าใช้ไม่ใช่ว่าหรือเป็นข้างบ้านว่าอย่างนั่งมองอยเองนะไม่กล้าเอาขาลงข้างล่างเลยเพอาะเรเริ่มกลัวแล้วเดี๋ยวอะไรจะจับขาเพราะผมนั่งอยู่บนบนโต๊ะยาวๆ พอขึ้นไปถึงชั้นบนชั้นสุดผมคิดไอจังหวะนั้นพอดีว่าถ้าเปิดประตูเลยอะ่ะพี่คนนี้แน่นอนเพราะว่าห้องแกคือขึ้นบันไดไปแล้วเจออะไรผมเคยไปนอนใลนห้องแกออืมันเป็นแอนแอนพอขึ้นไปสุดข้างบนแล้วมันดังแ ก, แกแ๊กโอ้ยแล้วก็มีเสียงไอมโมบายตรงหังวาทางทางเข้าประตูเขาที่มันเป็น เ, น เ, น เ, นเนหมือนเครือกหอยเรียงมันดังเก้งๆผมคิดเลยกูอยู่ไม่ได้ละ ผมคิดอย่างนี้เลยนะ บ, บอกกับตัวเองว่าเขาอยู่ไม่ได้ครับค่อยๆห ย, ย่อนขาลงหย่อนขาเขาต้องหย่อนแบบแบ บ, แ บ, บสปริงตัวไปหน่อย อ, ะอ่ะเพราะเราก็กลัวว่าอะไรจะอยู่ใต้โต๊ะไงใต้เตียงหัวยาวอะ่ะก็สปริงตัวไปหน่อยแล้วก็หันละมองอบอกกับตัวเองว่าไม่วิ่งไม่วิ่งนะมันคง ม, มีแค่นั้นแหละพอเรากําลังจะเดินไปประตูตมีเสียงเงี้ย อ, อ, อยู่ข้างบนบ้านอ่ะครับผมค่อยๆบิดลูกบิดนะพยายาม คือขนหลังลุกหมดแล้วพ<อ>ีแ่แจเรารู้ว่าเสียงมันอยู่แค่ข้างหลังเราเองแล้วมันแค่วันใดไม่กี่ขั้นอะภาพของเด็กตอนนั้นมันมโนว่าถ้าเขาวิ่งแล้วกระโดดกระโดดลงมาแล้วช่วยกูด้วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงอ อ, อ, อผมต้องค่อยพยายามถนตัวตรงๆแล้วไม่วิ่ง บ, บอกกับตัวเองกูจะไ ม, <อ>ไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งเปิดประตูไปเสียงสุดท้ายเป็นแบบอย่างเงี้ยออผมเดินตัวออกมาแล้วมานั่งข้างหน้าว้านแล้วเขาก็ถามเป็นอะไรกัน พี่เพิ่งถามตอนนี้ oh. พี่คนที่โดนยิงันแรกอย่าเพิ่งถามตอนนี้ลุงใหก็าถามไปไล่ไปไล่เขามึง ผ, ผมบอกเขาอย่าเพิ่งถามตอนนี้ก็ลนนะ oh. แล้วกันนะอแต่ก็ทำหน้างงๆกับผมนะแล้วก็มีเสียงไอออกมาซึ่งทุกคนได้ยินกันหมดอแต่ทุกคนเขาไม่เอใจเขานื่ว่าในบ้านมีคนไงแต่ผมว่ารู้ว่าในบ้านไม่มีใคร oh. และเสียงที่ไอเสียงเพื่อสุดท้ายที่ oh. Oh. Oh. Oh. มันเหมือนคนเจ็บคอพ oh. ี่แกซึ่งเขาโดนยิงทะลุคอถูกไหม ผมว่าพอวันที่อะวันนั้นอิอยู่ดีจะพักแฟนของพี่ผู้ชายคนนี้ยเขามาครับเขาบอกมีคนส่งข้อความไปบอกเขาว่าพี่คนนี้ถูกยิงออืแต่ทุกคนไม่มีใครส่งไปนะอ้าวไม่มีใครส่งไปบอกเขาไม่มีใครส่งครับเรื่องนี้เขาไม่บอกแน่นอนเขากล่าวว่ารอให้แบบวันไหนี้ก่อนทุกอย่างเคลียร์จนถึงงานแล้วค่อยบอกแอดมีคนบอกเขาละตรงนั้นเลยนณเวลานั้นแล้วเขารีบขี่มอเตอร์ไซค์มา คือแกนี้ก็จะเป็นพวกแข่งมอเตอร์ไซค์อ่ะทุกคนทํางานดีนะซื้อรถเก่งก็ได้แต่ไม่ซื้ออเขาจะเล่นพวกวิทย์เทอร์ชาวบิโก้พวกเนี้ยเล่นแบบแรงๆอ่ะเขาชอบกันเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันมาถึงมาจอดเท็ยน้ําตาลนองหน้ามาเลยบอกเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเขาะเขาพวกตายแล้วเขาอ่อนไปไหนไม่ได้ลากกันไปลากกันมาอะไรอยู่เหมือนกันก็คือสงสัยว่าใครเป็นคนส่งความไม่หันเขาแล้วในคลิปเดียวกันเน่ะ ในขณะที่ทุกอย่างมันกำลังเสียหมดผมก็เริ่มเข้าบ้านแล้วช่วงใกล้ๆเช้าเนี่ยยายแถวแถวบ้านเนะ่ะเขาเปิดร้านขายเบียร์ขายเหล้าไงพี่คนเนี้นไปเรียกเขาซื้อเบียรนะฮะอืมยายยายเบียร์ผมสี่ขวดแกจะเป็นคนที่ซื้อทีละสี่ครับทำไมก็มันจะมีเบียร์อยู่ยี่ห้อหนึ่งที่สามขวดร้อยแต่แกจะซื้อทีละสีไม่รู้ทําไมเหมือนกันครับแกก็จะตะโกนยายยายเอาเบียร์ผมสี่ขวด ยายคนนั้นมาเล่ฟังบอกมันช่วงประมาณตีสี่แต่พี่คนนี้ตายประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งกว่ า, วาครับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกก็คือในงานศพออืเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังทุกคืนเลยครับมันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคุณแจ็คแต่มันเป็นปอุทาหอแล้วมันก็เป็นความเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นสิ่งที่ผมเจอกับตัวเองที่ว่า คนที่ตายพวกนี้นะพลังงานทำงานทันทีอันนี้เน<า>เชื่ อ, อ, อเหมือนกับจิตเขายังค ง, จ, นนคงจิตเขายังคงพุ่งพุ่งไปอยู่คือหมายถึงว่าจิตเขาเนี่ยจะไปไหนแต่ระหว่างทางอาจจะเกิดอ็ซัิเนต์หรือเกิด อ, อะไรประมาณนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวอยู่ตรงนั้นแต่จิตเขายังพุ่งมาอยู่ใช่ แล้วพอผมเห็นหนังเรื่องเนี้ยผมมีความสึขผมนึ้ถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีเลยที่พอล่าเล่นป่ะในชีวิตเราก็เคยสัมผัสกับเรื่องที่มันแบบตายปุ๊บก็พลังงานทํางานเนี่ยเคยอยู่ครั้งหนึ่งไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เรื่องที่พอล่าเล่นป่ะใช่ใช่ใช่มีคนบอกแล้วว่าเรื่องอ่าเรื่องร่างฮะสั้นๆเลยร่างเออเออผมชมเลยพุ่มกับเขาทำมาดีมากแล้วหนังเรื่องนี้นะไม่ว่าจะเป็นตอนที่ตอนแรกเลยที่ว่าผู้หญิงคนนี้กระโดดกาะ ครัเกาะหัวโจรอะหรืว่าจะเป็นตอนที่เขาไปโผล่ตรงนั้นโผล่เนี่ยคือบางครั้งจ้เราต้องแอบแอบตําหนิว่ามจะหลอกไอะไรนักหนาเนี่ยเขามาช่วยนะเนี่ย ค, คือมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวทั้งเรื่องเลยอออะทําได้ผมขนาดผมอย่างนี้ผมดูผมยังรู้สึกว่าผมจะต้องขแบบนลุก<อ>ทั้งเรื่องเลยทั้งหมดเลยที่คุณคิงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับมันก็เหมือนเรื่องก็วนกลับมาเรื่องเหมือนคุณอาร์มอีกแล้วนะครับเรื่องของ การดื่มการกินขาดสตินะครับเรื่องของไม่รู้ดิเรื่องของการพูดการจาอะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันมันมันก็สําคัญนะนะครับคนที่อาจจะไม่เคยพูดอะไรแปลกๆแล้วอยู่ดีๆพูดแปลกๆพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่อย่างเงี้ยนะครับพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาพอย้อนกลับไปคิดอีกทีหนึง่งเออมันเหมือนเป็นลางก่อนหน้านั้นซึ่งตอนนั้นตอนที่พูดเนี่ย คนฟังหรือว่าคนอะไรอาจจะไม่รู้หรอกแต่พอมันเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยมันจะย้อนกลับไปทนทีมันจะพุ่งเข้ามาในหัวทันทีว่าเฮ้ยก่อนเขาตายเนี่ยพูดอย่างนี้ไว้นีิว่าเหมือนเป็นลางสั่ง<อ>ลาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่แบ้นมข้ามไปมันมีตรงที่ว่าพี่คนนี้พี่คนที่แกอยู่ปัจจินเนี่ยแกพูดเล่นนะแต่เรารู้สึกว่าแกปากเสียมากเลย<อ>คือตอนที่แกโดนต่อยมาแล้วครับแล้วแกกําลังมารอพี่คนนี้ไปเอามีดแล้วมาตามเพื่อนอย่างเงี้ยอ จังหวะที่แกจะเดินมาขึ้นมอเตอร์ไซค์ทีนึงแกก้มลงมองนี่พื้ใแบอกเฮ้ยกูไม่เงาหัวเว้แกพูดอย่างเงี้ยอ้าวนั่นไงแล้วทุกคนก็แบบเฮ้ยจริงเหรอแกก็หันมาหัวเราะบอกูร้อเล่นกูเห็นพวกมึงเครียดกันอือคือมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเล่นและแกเป็นคนที่พูดเลยแกพูดเลยแป้งเนี่ยตอนตังที่แกมาแล้วล่ะแล้วมางพูดประโยคน์นี่ับเราเลยใจเสียทันหมดเลย การพูดอย่างที่บอกคือมันอันเรื่องนี้มัน ม, มันสำคัญมากบางสิ่งบางอย่างไม่ควรที่ที่จะพูดเล่นไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือมันจะเกิดขึ้นไม่จริงอันนี้เราไม่รู้แต่เราพูดในสิ่งที่มันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสีแก่ตัวเราดีกว่าใช่คโนะ อ, อคือไม่ใช่ไปพูดให้ตัวเราแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยดูดิกูไม่มีเงาหัวว่ะคื้มันไม่ใช่เรื่องที่มาพูดเล่น มันอาจจะเป็นอารมณ์และจังหวะนะ<ม>ทุกคนกาลังเครียดอะ่ะที่ออะจะมันก็ตะโกนขึ้นมาแบบดังๆแหละครับมันอาจจะเป็นอารมณ์ด้วยด้วยของฤธิ์ของแอลกอฮอล์ก็บางส่วนผมว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการไปมีเรื่องมีเล่าทะเลาะวิวาทนะครับผลสุดท้ายคือก็จะกลับไปแก้แค้นจะกลับไปเอาคืนเขาครับอ๋อนะครไม่รู้เลยฟังแล้วแบบเอ้ยจริงๆ<ม>แล้วมันเป็นเรื่องที่ผมตั้งตั้งใจจะเตือนเกี่ยวกับเรื่องของ ผมรู้อะสังคมสมัยนีย้มันเป็นปกติแหละเรื่องราเพียงแต่ว่าบางครั้งถ้ามีอะที่มันรู้สึกจะกิดใจเรานิดหนึ่ง เ, เราเบรกเองหน่อยดีกว่าบางทีนนพี่คนเนี้ยเขาพูดอะไรแปลกๆเนี่ยเราบางทีเราถอยเนี่ยไม่ได้หมายเาคําว่าเราแพ้หรอกแอันไห น, นการเต็มตัวเราด้วยอันไหนที่อ่าไม่ควรที่จะไปแลกก็ก็ก็ไม่จําเป็นฮะคืออย่างที่คุณคิงพูดถูกเลยคือเราถอยเราไม่ได้แพ้นะ แต่มันไม่สมควรที่จะไปแลกการไปแลกอย่างนี้คือการเอาชีวิตเข้าไปแลกผลสุดท้ายฮะ<ช>ก็ต้องจบด้วยชีวิตตัวเองถูกไหมใช่แล้วยิ่งยุคนี้สังคมสมัยนี้เนี่ยเอาป็นสมัยก่อนนักเลงคำว่านักเลงนักเลงจริงๆเนี่ยนะครับคือเขาปีกันเขาฟันกันมือเปล่ากับแค่อาวุธนะครับไม่เหมือนสมัยนี้เอออะปุ A ๊ R A R B U K. เอามือล้วงเอวฟวักปืนมายิงปั้งทีเดียวตายจบครัเออมันไม่เหมือนกับยุคคนก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเอาพูดกันจริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้แบบอ่าว่าอะไรมากมายแต่ปืนเดี๋ยวนี้มันหาง่ายจริงนะจากที่เราเห็นจากข่าวจากที่เราเห็นจากคลิปจากที่เราเห็นจากโลกโซเชียลสมัยนี้ฮะแป๊บเดียวฮะปืนเออเอไร มีปืนแทบทุกคนแล้วอะผมเฮ้ยปืนมันหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอนี่เราอยู่ในประเทศไหนเนี่ยผ <laughs> นะมไม่มีผมมีอนังกระสิะครับคือบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่รู้ดิผมว่าโดยด้วยเรื่องของอารมณ์คนในยุคนี้สมัยนี้ด้วยนะครับอารมณ์ร้อนครับนิดเดียวเองแค่คําพูดน้ําพึ่งจดเดียวน้ําคําพูดนิดเดียวฮะมันทําให้คนเราข้างตายได้นะะใช่เห็นบ่อยมากในยุคคือบางครั้งจนถึงขนาดที่ว่า เรื่ออารมณ์ของคนที่เราเป็นคนที่ปฏิบัติในในระดับหนึ่งครับไม่ถิ่นก็แบบว่าจะต้องมาเป็นฤาษีมูนี่น้อยจต่ก็ปฏิบัติอ่ะผมจะบอกกับแฟนผมจำเวลาที่เปิดดูเรื่องพวกนี้ยอะไรที่มันเป็นความเสียใจของคนอื่นนะครับเรารู้จากข่าวข้างบนในทีวีแล้วเราไม่จะไปเจ้ามาดูในโทรศัพท์ซ้ําหรอกมันเหมือนแคบเรายิ่งไปคนนั้นก็กดคันนี้คอมเมนต์มันมีทั้งคนที่ดีและคนที่ด่าคนที่เขาญาติของผู้เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จะทําความดีหรือไม่ดี ผู้ที่ตายเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ญาติเขาก็ยังอ่านอยู่นะคอมเมนต์อยวนียที่มันเหมือนการซ้าเติมกันในสังคมเลยทำให้คนมันยิ่งแบบสะสมความแค้นความเครียดความเป็นไปอย่างเงี้ยใช่ฮะยุคนี้สมั ย, มยนีนย้โซเชียลครองโลกนะครับทุกอย่างตอนนี้ตัดสินกันที่โซเชียลเาพูดกันตรงๆพูดกันจรงิงๆนะครับโซเชียลดีสื่อที่ดีก็ดีกันไปสื่อไหนที่ไม่ดีเนี่ยโอ้โห่ยโอโ เราก็ได้เห็นมาก่อนหน้านี้ก็หลายเคสนะครับ ท, ที่ที่ที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะใช้ในเรื่องของสิ่งเหล่าเนี้ยใช้ในทางที่ผิดนะครับเหมือนกันอารมณ์ <Yeah. S 1> คนเราก็เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ก็สอนให้รู้เลยเรื่องของอารมณ์นะครับเรื่องของการพูดการจาเรื่องของการกินของมึนเมาเกินไป <Yeah. S 1> ผลสุดท้าย <Yeah. S 1> จบไม่สวยครับทุกคนบอกเลยว่าจบไม่สวยทุกคนเนาะ มีแค่ไนเนี่ยถ้าปล่อยให้สติให้ท่านถ้าปล่อยให้เล่าของสติเนี่ยจะปออนตรายแล้วอืมพี่กลุ่มเนี้ยผมพูดจริงๆนะว่าผมไม่ใช่ว่ามาแบบพอเรามาพูดถึงเรื่องเขาแล้วเราแกล้งมามาอวยกันตอนนะแต่ผมพูดเลยว่าเขาเป็นคนดีจริงๆอือเขาเป็นคนดีที่สอนให้ผมเป็นคนที่ผมอยู่ในดงที่วัยรุ่นะ่ะครับเอาเป็นว่าติดยาเก้าสิบเก้าเปอร์เซนดีกว่าแต่ผมอยู่โดยที่ไม่ทดลองพวกมันเลยทั้นี้เดียวพ่อพี่กลุ่มนี้ยเขาบอกว่า มึงกินเหล้าดีกว่าดืินดีจอเงินในหะ้มึงด้วยมึงอย่าไปลองพวกนี้ถ้ามึงคิดจะเป็นน้องพี่นะผมก็ไม่เคยยุ่งกับมันนะในสิ่งเหเนะ่าเนี่ย แต่เล่ามีผมยอมแล้วเล่ามีบุหรีมีเมาก่อนนะนีะ่ก็เลิกมาได้เป็นสิบปีแนละ้วออคือผมอย่างที่ผมบอกเราผมก็ยืนยันคําเดิมว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะครับบางทีเรื่องของสังคมเรื่องของเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยผมว่าดื่มกินกันได้แต่ให้อยู่ใน<ะ>ขอบเขตอยู่ในกรอบของมันไม่ไม่ไม่ไม่กินแบบมุดทะลุจนเกินไปกินแบบขาดสติ<ะ>ผลสุดท้ายฮะมันก็อย่างที่ที่เราได้เห็นกัน อ, อ๋อนะครับเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่กับแบบเรื่องข้าวฟันกันตายเรื่องของ าการขมขงขมขืนนะครับก็บางคนคือผมไม่ได้โทษไม่ได้โทษเล่านะผมโทษคนมากกว่าเล่าเขาก็ผลิตของเขาอ่ะนะครับแต่คนไปไปกินมันในปริมาณที่ร่างกายมันจะเกินรับไหวเออมันก็เลยทําให้ขาดสติฮะออนะครับอย่าไปโทษของพวกนี้ยของพวกนี้มันอยู่เฉยแต่คนนั่นแหละครับเป็นคนที่เอาของพวกนี้เข้าไปใส่ในตัวจนมากจนเกินไป เกินการควบคุมของร่างกายผลสุดท้ายก็ควบคุมร่างกายควบคุมความคิดควบคุมสติตัวเองไม่อยู่ใช่เนาะนะครับอ่าได้ครับคุณคิงยังไงขอบคุณมากมากครับวันนี้ได้ทั้งเรื่องของความตื่นเต้นเรื่องของคติสอนใจในการดํารงชีวิตในยุคนี้ในสมัยนี้นะครับผมว่ารเราทําตัวเล็กๆไว้ดีที่สุดทําตัว <c oughs> เล็กๆ <c oughs> มันไม่มีใครสูงกว่าเรานะพี่แอรเราไม่ไบีงเบนไปคุกเขาให้เขาเองออืนะทําตัวแบบปกติทําตัวเล็กๆไว้ไม่ต้องไปทําตัวให้มันยิ่งใหญ่ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับผมว่ามีความสุขที่สุดละครัเนาะได้ครับคุณคิงยังไงขอบพระคุณมากๆนะ่ากันะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเร็วนี้ไม่แน่นะครับอ่าพี่บัตรคงคุยแล้วเราอาจจะได้เจอกันรอดูคุณคิงอีกทีหนึ่งก็แล้วกันยังไงก็เดี๋ยวให้คําตอบผ่านมาทางพี่บัตรก็ได้นะ โอเคแต่ว่าเขายังไม่ยืคอนเฟิร์มเลว่าเป็นที่ไหนเนี่ยะอ่าอยู่ในกรุงเทพฮะยังไม่ยังไม่คอนเฟิร์มสถานที่มาแต่อยู่ในกรุงเทพแน่นอนนะครับได้ครับคุณกิงขอบพระคุณมากมากครับครับเช่นกันครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ